พระองค์เนี่ยไปสู่ะนะไปดีก็คือวาจาที่พระองค์ตรัสเนี่ยดีหมดเลยเพราะนําออกสัตว์ออกจากทุกได้จริงบรรเทาเบากิเลสได้หมดเนี่ยนะแล้วคําพูดที่พระองค์ตรัสเนี่ยมีประโยชน์ทั้งหมดเนี่ยนะแล้วก็พระองค์ไปดีก็คือไปเพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์เราสรรพสัตว์ทั้งหลายนั่นเองเนี่ยนะไปดีเนี่ยนะโดยที่สุดแม้แต่พระบรมสารีริกธาตุเนี่ยนะยังช่วยอนุเคราะห์สัตว์นะเนี่ยเขาก็บอกแบ่งกลุ่มนะในสาราถาสังหะอธิบายแบ่งกลุ่มว่า เวนยศัสตร์นี่มีอยู่สี่ประเภทพวกที่หนึ่งเรียกว่าพุทธเวนยคือพุทธเจ้าแสดงธรรมและบรรลุนะเรียกพุทธเวนยอย่างที่สองก็คือสาวกเวนัยก็ต้องสาวกแสดงก็บรรลุอย่างที่สาก็คือธรรมเวนยัยนะศึกษาธรรมะเองแล้วได้บรรลุเนี่ยนะก็อาศัยจากเช่นจากข้อมูลจากคำพีจากอะไรที่มีอยู่ปฏิบัติตามและบรรลุนี่เรียกว่าธรรมเวนัยก็อาศัยธรรมะนะเป็นหลักแล้วก็พวกที่สี่ก็คือธาตเวนยเนี่ยนะพวก าธาตุเวนก็คือเนี่ยพวกบูชาพระาธาตุทั้งหลายเนี่ยนะเขาทําเกินกว่านั้นไม่ได้ถ้าบูชาพระาธาตุตามประเพณีเขาทําได้ให้ขึ้นไปบูชาพระาธาตุนะจะเดินกี่สิบกิโลเขาก็ขึ้นไปบูชาได้แต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่เอาอะไรอีกแล้วเยทําได้เท่านั้นจริงๆนั้นพระองค์ก็ถือว่าสงเคราะห์สัตว์เหล่านี้อยู่นะสงเคราะห์พวกธาตุเวนัยอยู่แม้แต่พระพุทธรูปก็คือเป็นาธาตุเวนัเนี่ยนะกลุ่มธาตุเวนยัย นะก็ถือว่าสงเคราะห์อนุเคราะห์ใช่ไหมทําสงเคราะห์สัตว์เนี่ยบางคนเนี่ยทำได้เท่านั้นจริงๆฝึกเข้าได้พอที่จะให้กราบให้ไหว้ให้บูชานะอย่างเช่นสมัยนี้ที่เห็นก็คือพวกฝรั่งเนี่ยได้ก็เห็นก็เลื่อมสายยกมือไหวนะ้ญี่ปุ่นเป็นต้นเนี่ยเห็นก็เลื่อมสายยกมือไหว้แต่ก็ไม่ได้เลื่อมสายถึงขนาดว่าแหมจะศึกษาจะค้นคว้าเอาเป็นจริงเป็นจังก็ไม่มีเท่าไหร่หรอก พันเขาก็เลื่อมใสก็คือมีศรัทธาผา่องใสคําว่าเลื่อมใสายในที่นี้แปลว่านึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าและใจไม่ขุนมัวนึกถึงเมื่อไรใจก็ไม่ขุนมัวเรียกว่ามีศรัทธาหรือเลื่อมใสนั่นเองพันในความเลื่อมใสที่มีในพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เนี่ยตรัสรู้ธรรมะเป็นที่ออกจากทุกได้จริงคําสอนเนี่ยเป็นคําสอนที่นําออกจากทุกจริงมู่ภาษาวกทั้งหลายนะที่เห็นอยู่นี้ก็ออกจากทุกจริงเพราะฉะนั้นท่านก็เลยบอกว่าเราก็เลื่อมสที่จะ ออกบวชบ้างว่าเราเนี่ยปฏิบัติได้เนี่ยนะเชื่อว่าเราปฏิบัติได้ก็เลยเรื่มสายก็เลยออกบวชเป็นบรรปชิตบรรปชิตก็คือผู้ที่เว้นรอบนะเนีเว้นรอบเว้นจากอะไรก็เว้นจากบาปทางกายโดยรอบเว้นจากบาปทางวาจาโดยรอบเนี่ยนะแล้วก็มาเว้นจากบาปทางจิตโดยรอบไปอีกนะเอันนั้นของบรรปชิตก็คือผู้ที่เว้นจากอะไรบาปก็คือคนที่ต้องการเว้นจากสมุทัยศัสตร์นะนี่ยเรียกวนับบวชนะบรรปชิตเนี่ยเน้นไปที่ เว้นจากสมุทรยศาสตร์นั่นเองไม่ต้องการสร้างวัตถะแล้วว่างั้นเถอะถ้าเอาเอาโดยอัดแบบสูงสุดนะนะทีนี้ความสงสัยของเราพอบวชมาแล้วนะก็เกิดความสงสัยเนี่ยว่าในสิ่งที่เป็นกัปปิยะและอกกัปปิยะอีกมากมายเช่นเขาสงสัยว่าเอ้แป้งเนี่ยน้ำตาลน้ำตาลอะไรน ะ, เ ร, ะรน เ, นนนเรียกอะไรน้ำตาลเป็นก้อนกเรียกอะไรเนี่น้ำอ้อยอะน้ำอ้อยงบอะเอยฉันได้หรือฉันไม่ได้ คือวันหนึ่งเนี่ยท่านไปเห็นว่าเอ๊ะที่จะทําให้มนันเป็นก้อนแข็งแข็งเนี่ยโรยอะไรลงไปโรยแป้งใช่ไหมในก้อนน้ําตาลนะถ้าไม่โรยแป้งมันจะแข็งไม่ได้น้ําตาลงบเนี่ยท่านก็สงสยัยเอ๊ะโรยแป้งแป้งมันก็จัดเป็นอาหารนี่แป้งนี่ในะอยู่ในกลุ่มอาหารน้ําอ้อยเนี่ยเป็นกลุ่มเภสัตว์ที่อยู่ได้เจ็ดวันสรุปเป็นน้ําอ้อยฉันได้หรือไม่ได้ในตอนเย็นนี่นเพราะโรยแป้งเข้าไปด้วยพุทธเจ้า ก, ก็ตัดว่าแป้งในฐานะเป็นอโภโรหาลิก คือมีก็เหมือนกับไม่มีนะเพราะไม่ได้ทํากิจของแป้งอะไรงั้นก็เป็นอภโหหาวิก็อนุ ญ, ญาตให้ฉันได้ท่านก็จะสงสัยประเภทนี้หรือก็สงสัยอีกอย่างหนึ่งคือถั่วต้มเนี่ยนะถั่วต้มเนี่ยถั่วต้มเนี่ยมันไม่ได้ต้มสุกทั้งหมดนะบางเม็ดเนี่ยเอาไปเพาะขึ้นได้นะถั่วที่ต้มสุกแล้วถั่วเขียวนะเช่นถั่วเขียวเนี่ยถั่วในนั้นถ้าทั้งหมดนะเอามาถ้าต้มแค่สุกธรรมดาจะมีบางเม็ดที่เพาะขึ้นอะ่ะที่ที่ต้มต้มไม่ได้สนิท น, นะท่านก็สงสยัยวเอ๊ะแล้ว จะฉันได้แล้วเนี่ยนะพระองค์ก็ถือว่าเป็นอโรหาฤกษอีกเหมือนกันเนี่ยนะก็แสดงท่านจะเป็นคนที่คิดอะไรที่เรียกว่าน่าสงสยัยไปเนี่ยพระองค์ก็แก้ให้หมดนะสงสัยในเรื่องศีลเป็นต้นนะถ้าสงสัยในเรื่องศีลก็สงสัยในเรื่องสมถะและวิปัสนปสนาเพราะความสงสัยก็มีอยู่เนี่ยสงสัยในศีลในสมถะและในวิปัสสนาพันธความสงสัยของท่านเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็แก้ความสงสัยให้ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้า ได้ทรงแสดงธรรมอันอุดมแนะนําข้อสงสัยทั้งปวงนั้นสงสัยเรื่องใดพระองค์ก็แสดงธรรมที่สูงสุดแก้ความสงสัยนะธรรมที่สูงสุดนะนะธรรมที่สูงสุดก็คือโลกุตระธรรมเนี่ยนะนผู้ที่เข้าถึงโลกุตระธรรมก็จะละความสงสัยทั้งปวงได้ต่อแต่นั้นเราก็ได้ข้ามพ้นสงสารเนี่ยนะข้ามขันข้ามธาตุข้ามอายตนะออกไปได้เนี่ยนะข้ามจากจุติข้ามจาก อุบัติข้ามจากกรรมข้ามจากกิเลส ข, ข้ามจากสังสารวัฏข้ามจากภพทั้งปวงได้นี่นะก็พอจะแสดงธรรมพระองคแสดงโกลกุตระธรรมก็ผ่าข้ามออกจากวัตฏะได้ทั้งหมดเป็นผู้มีความยินดีมีความสุขในฌานอยู่นะก็มีความสุขกับฌานสมาบัตินั่นแหละพระพุทธเจ้าทอดพระเนตรเห็นเราจึงได้ตรัสพุทธภาษิตนั้นว่าความสงสัยในโลกนี้หรือในโลกอื่น ในความรู้ของตนหรือในความรู้ของผู้อื่นอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นอันบุคคลผู้มีปกติเพ่งพินิษมีความเพียเพรเผากิเลสประพฤติพรหมจรรย์ย่อมละได้ทั้งนั้น น, นะสรุปนะความสงสยัยไม่ว่าจะสงสัยในโลกนี้โลกนี้ขันภายในโลกอื่นขันภายนอกหรือโลกนี้คือชาตินี้โลกอื่นก็คือชาติข้างหน้า ต, ต่อไปทั้งหมดเนี่ยนะ ความรู้ของตนหรือความรู้ของผู้อื่นนะความสงสัยทุกเรื่องนะ่ะถ้าคนผู้มีปกติเพ่งฌานมีความเพียรเครื่องเผากิเลสประพฤติพรหมจรรย์ศีล ส, สมาธิปัญญาจนถึงมรรคพรหมจรรย์เนี่ยละได้ทั้งหมดถ้าปฏิบัติตามนี้จะละสงสัยได้ทุกเรื่องวิธีละสงสัยคือหนึ่งเพ่งฌานเพ่งฌานก็เพ่งทั้งสมถะและ ว, วิปัสสนานั่นเองอนะแล้วก็มีอาตาปะความเพียรเผากิเลสคือเพียรอยู่ในสัมมาปทานสี่ สามารถที่จะประพฤติมรรคพรหมอาจารย์ได like ้จะละความสงสัยได้ทุกเรื่องจริงๆถ้าปฏิบัติธรรมถูกต้องเนี่ยนะมันจะละความสงสัยความสงสัยในเรื่องนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานความสงสัยในเรื่องมนุษย์ในเรื่องเทวดาเป็นต้นเนี่ยนะจะละความสงสัยได้ถ้าเข้าใจธรรมะมาถึงขนาดนี้สงสัยนะเอ๊มนุษย์คนนั้นทําไมเขาเป็นอย่างนั้นทําไมคนนี้เขาเป็นอย่างนี้เข้ามาจากไหนเขาจะไปไหนอะไรเป็นต้นเราสงสัยไหมไม่ใค่สงสัย เช่นในความเป็นมนุษย์ของเขาคืออะไรคือการมาสุกติการมาสุกติมาจากเหตุอะไรมาจากปัจจัยอะไรเนี่ ย, ยก็มาศึกษาเรื่อง <c oughs> เหตุเรื่องปัจจัยก็ไม่ได้นึกสงสัยใช่ไหม <c oughs> ไม่ได้สงสัยว่าใคร ส, สาร้างศาลาหลังนี้เป็นต้นไม่ได้นึกสงสัยอะไรนผู้ไม่สงสัยกับแทงตลอดทุกเรื่องเนี่ยคนละในกันนะผู้ไม่สงสัยก็คือเรียกว่าไม่ไม่ได้ติดใจอะไรแต่ว่าไม่ได้สงสัยแต่ไม่ใช่ว่ารู้แจง้งแทงตลอดไปทุกเรื่องอะไร aqui. มันผู้ที่มีความเพียรเพ่งคำว่าเพียรเพ่งเป็นชื่อของสมถาวิปัสนาสัมมาประธานสี่ประพฤตมรรคมอาจารย์ก็ละวิจิกิจชาได้ทั้งหมดนะนะเน้นที่ถ้าแทงตลอดอริยาศาสัสตร์แล้วก็จบเลยนะหมดปัญหาที่จะสงสัยในอะไรเพราะถ้าสงสยนะัยหนึ่งสงสัยในทุกษสัสตร์บ้างบางทีก็สงสัยในสมุทยาาัยศสตร์บ้างสงสัยในนิโรศสตร์บ้างสงสัยในมรรคสตร์บ้าง ถ้าสงสัยในอริยสัจสี่ก็สงสัยผู้บรรลุอริยสัจสีด้วยคือพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามอริยสัจสีเนี่ยจะมีผู้ปฏิบัติอย่างนั้นจริงหรือเนี่ยสงสัยในพระสงค์ใช่ไหมเอ๊ะถ้าเรามาปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญามันจะบรรลุได้จริงหรือเปล่านี้ก็สงสัยในข้อปฏิบัติมั้นถ้าเห็นอริยสัจนะโอ้ละไอความสงสัยเรียกว่าเป็นยาที่เราว่าระ ง, งับได้ชงับทุกโรคเลยแหละ ออถ้าสงสัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในศิษค้าก็อาตะปูตรึงใจเล่นงานแล้วกรรมที่ทำไว้ในกับที่แสนได้แสดงผลแก่เราในอัตภาพนี้เราพ้นกิเลสแล้วเหมือนลูกศรที่พ้นจากแล่งลูกศรที่พ้นจากแล่งไม่อะไรในแล่งเลยนะลูกปืนที่พ้นจากกระบอกนี่ไม่อะไรกระบอกเลยนะเพราะฉะนั้นท่านก็พ้นจากกิเลสแบบนั้นแหละ เพราะฉะนั้นเวลาเห็นลูกศอหรือเห็นอะไรก็นึกถึงอย่างนี้นะว่าพาหาันนี่หลุดพ้นแล้วนะ <S <S เราได้เผากิเลสของเราเสียแล้วนะเผากิเลสไม่มีเหลือเลยนะเพราว่าเผากิเลสเนี่ยไปเผาที่ไหนจับมันมาคั้วมาย่างกิเลสจะเกิดจา ก, จากวัตถุใดอะนะคิดยังไงจึงจะเผากิเลสได้เอาอันะสูตรเขามีอยู่เท่านั้นนะนะเอาแบบง่ายๆเลยนะคิดยังไงในในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสแล้วกิเลสไม่เกิดอ่ะ สมมติถ้าใครที่แบบเหินในเครื่องเสียงติดในเครื่องเสียงอนะนะพิจารณาเครื่องเสียงยังไงจนไม่จนจนจ น, จนวางใจได้ไม่นึกชอบอีกเลยอ่ะนะคิดยังไงทีนี้คนที่ชิงชังในวัตถุที่น่ารังเกียจน่ะคิดยังไงจึงจะละความชิงชังได้อ่ะผู้ที่หลงเข่าไม่รู้เรื่องนั้นอ่ะโดยทั้งความเป็นไปความเป็นมาทั้งหมดอ่ะพิจารณายังไงจึงจะละความสงสัยได้อ่ะ ผู้ที่เผากิเลส ก, ก็เขาทํากิจเหล่านั้นนั่นแหละลําดับนั้นพระมูนีผู้มีพระปรีชาใหญ่สเสด็จถึงที่สุดของโลกนะนะพระพุทธเจ้านี้มีปัญญาใหญ่ปัญญาใหญ่เหมือนอะไรเหมือนแผ่นดินเหมือนอากาศเนี่ยนะเป็นต้นนะพระองค์ได้มีปัญญาใหญ่ขนาดนั้นสเสด็จถึงที่สุดแห่งโลกสเสด็จสเสด็จเนี่ยน ะ, สะเสด็จก็คือแปลว่าเดินนะเราเดินทางเป็นชื่อของอะไรสะเสด็จนะชื่อของมรุณนะที่สุดของโลกเป็นชื่อของ นิพพา น, นพระองค์เสด็จถึงที่สุดแห่งโลก姑姑นะก็เสด็จด้วยตรัยสิกขาด้วยอริยมรรคถึงพระนิพพานเนี่ยก็มาแปลรวมย่อๆว่าเสด็จถึงที่สุดของโลกเนี่ยนะของสังขารโลกอ่ะนะไม่ใช่ว่าไปถึงที่สุดของโลกพระองค์ไปถึงขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ไม่ได้หมายความว่าแบบนี้แต่หมายถึงว่าพระองค์เนี่ยเสด็จด้วยอริยมรรคถึงที่สุดของสังขารโลกทุกชนิด เป็นคำยกย่องนะว่าพระมูนีผู้มีพระปรีชาใหญ่เสด็จถึงที่สุดของโลกทรงเห็นว่าเรายินดีในฌานจึงทรงแต่งตั้งเราว่าเลิศ ก, กว่าพิสูงหลายฝ่ายที่ได้ฌานมันเรานี่เผากิเลสทั้งหลายสิ้นแล้วถอนขึ้นได้หมดแล้วตัดกิเลสเครื่องผูกพันดังช้างตัดเชือกแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่กิเลสเนี่ยผูกพันเหมือนอะไรเหมือนเชือกที่มันละ ถ้าช้างอะนะช้างถูกล่ามาไว้นะกิเลสเนี่ยมันผูกพันกับทุกอารมณ์นั้นนเหมือนเราถูกล่าไว้เลยนะถ้าเราวัตถุที่เราติดนะเดี๋ยวมันก็คิดวนไปหาสิ่งนั้นเนะเหมือนก็ถูกล่าไว้ในสิ่งนั้นอะไอ้ตัณหาเนี่ยมันเหมือนกับล่ามไหมถ้าติดในสีก็เล่าไหมในสีติดในเสียงก็เล่าไหมในเสียงติดในบ้านมันก็ล่าไว้ในบ้านนั่นแหละติดถึงอย่างอื่นมันก็ล่าเหมือนกันแหมเหมือนก็ผูกอยู่กับใกล้ๆกับสิ่งนั้นเลยนะเหมือนถูกล่ามาตลอดนั้นตัดกิเลสเหมือนช้างเนี่ยตัดไอ้เครื่องลล่ามมไดด้้หแว ไปได้ตามสะดวกแต่ก็ไปแบบเป็นผู้ไม่มีอาสะวะนะไปแบบผู้ไม่ได้ปรารถนาพบไม่ได้ปรารถนาขันไม่ได้ปรารถนาธาตุอายตนะไม่ได้ไปแบบคนหลงงม ง, งายเนี่ยไปแบบพระขี่นาศบไม่ ง, งั้นขี่นาสะวะนะการที่เราได้มาในสำนักของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นการมาดีแล้วหนอเนี่ยนะเคยเสียใจไหมโอ้ไม่น่ามาศึกษาคําสอนเลยนะไม่ได้รู้สึกเสียใจยนะภูมิใจซะอีกในชะ่ไหมแต่ถ้าไม่ศึกษาเนี่เสียใจแย่เลยนะ วิชาสามเราได้บรรลุแล้วโดยลําดับคําสอนของพระพุทธเจ้าเรากระทำเสร็จแล้วคุณพิเศษเหล่านี้คือปฏิสามพิทาสีวิโมกแปดอภิญญาหเราได้ทําให้แจ้งชัดแล้วคําสอนของพระพุทธเจ้าเราทําเสร็จแล้วก็พระมหาเทระนี้เป็นผู้ทํากิจเสร็จแล้วอย่างนั้นทํากิจนะกิจก็คือกิจ16บหกเนี่ยทำเสร็จแล้วพิจารณาดูข้อที่ตนมีความคิดความสงสัยอยู่เป็นปกติ คือเป็นผู้ที่มักสงสัยใช่ไหมและข้อที่ตนเนี่ยป ร, ปราศจากความสงสัยได้โดยประการทั้งปวงคิดถึงก่อนหน้านี้เคยมีความสงสัยและตอนเนี้ยหมดความสงสัยแล้วในบัทนี้บังเกิดความพอใจเป็นอันมากว่าอนุภาพของภะษาสดา ข, ของเราเนี่ยน่าชื่นใจนักอนุภาพของพระองค์นั้นทําให้เราปราศจากความสงสัยมีจิตสงบระงับแล้วในภายใน โอ้พุทธานุภาพนี้ยิ่งใหญ่จริงๆแก้ความสงสัยและความเข้าใจผิดได้ทั้งหมดเนี่ยนะพุทธานุภาพนี้ยิ่งใหญ่เหลือเกินพระองคนี่แก้ความสงสัยจ น, จนจิตเราสงบได้อ่ะคิดดูก็คิดดูนะว่าคนที่ช่วยแก้ปัญหาของเราให้เราสบายใจได้เลยนะคนนั้นอนะท่าปกตินะมีความสามารถขนาดไหนใช่ไหมอย่างนี้เมื่อจะสรนเสริญปัญญาของพระพุทธเจ้าจึงกล่าวคาถานี้ว่า ท่านจงดูปัญญานี้ของพระตถ า, าคตเจ้าทั้งหลายดังไฟอันรุ่งเรืองในเวลาพลบคำพระตถ า, าคตเหล่าใดย่อมกาจัดความสงสัยของเวนยศาสทั้งหลายผู้มาเฝ้าถึงสํนานกของพระองค์พระตถ า, าคตเหล่านั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ให้แสงสว่างเป็นผู้ให้ดวงตาดังนี้ทีนี้คำว่าปัญญาเลยนะวิเคราะห์คำว่าจงดูปัญญานี้เนี่ยนะก็คือปัญญาของพระพุทธเจ้านะ ปัญญาเนี่ยเพราะอาจว่ารู้โดยประการทั้งหลายปะกับชานะชานะก็แปลว่าญาณะหรือชานะเนี่ยปะก็แปลว่าทั่วนะหรือประการต่างๆชานะก็แปลว่าความรู้หรือญาณะก็ความรู้นะก็คือรู้โดยประการต่างๆคือตัวพระ อ, องค์เองเนี่อรู้ประการต่างๆเนี่ยพระองค์รู้ยังไงบ้างเอา้าก็รู้แบบที่เนี่ยถ้าสแสดงออกมาก็คือพระตไตรปิฎกนะพระ อ, องค์มีความรู้แบบนั้นอะ และพระองค์ก็ยังให้ยังคนอื่นให้รู้โดยประการทั้งหลายด้วยนะมีปัญญาไม่ใช่หยุดอยู่เฉพาะภายในนะยังสอนให้ผู้อื่นมีความรู้ต่อไปด้วยอธิบายว่ารู้ประการมีอาสยะอนุสยะเจริยาอธิมุตของเวนยศัสตว์ทั้งหลายรู้อาสยะเลยว่าคนนี้อาสยะดีหรืออาสยะเลวอนะว่ากามาสยะหรือเนคขามาสยะมากในกามหรือมากในเนคขมะานะมากด้วยมิจฉาทิฐิหรือมากด้วย สัมมาทิฏฐิมากด้วยมักโกรธหรือว่ามักมีเมตตามักให้หรือมักเอาอย่างนั้นเถอะมักง่วงหรือมักตื่นเนี่ยนะมักสงสัยเรื่องน้อมใจเชื่อปวงเนี่ยรู้อาสยะทุกอย่างโดยประการทั้งปวงแล้วก็รู้ด้วยอนุสัยด้วยนะ ค, คนนี้เนี่ยถ้าได้รับอิทธารมเมื่อไรเนี่ยเอาเรื่องอะ่ะคนนี้ถ้ารับอารมณ์ที่ไม่ดีก็โธสะนะรับอารมณ์ที่ดีก็มากไปด้วยราคะรับอารมณ์ที่ไม่ดีก็มากไปด้วย โทสะเนี่ยนะมักสงสัยในธรรมทั้งปวงหรือมีมา n a ในอารมณ์ที่ดีหรือว่ามักปรารถนาพบเป็นต้นเนี่ยพระองค์จะรู้อาสยะรู้ทิฏฐิรู้อะไรทั้งหมดนะนะคำว่าอนุสัยนี่เป็นชื่อของกิเลส ท, ที่มีกําลังเนี่ยนะพอได้อารมณ์ชนิดนั้นนะแล้วเกิดทันทีเลยนะเช่นราคาการมาราคาอนุสัยเนี่ยเห็นรูปสวยชอบเลยปฏิคานุสัยเห็นเสียงได้ยินเสียงไม่ดีโกรธทันทีเลยนะพวกนี้เรียกว่าอาสยะนั้นใครเนี่ยหนักไปทางไหนมาก ถ้าพวกกาล ม, มาราคะมากๆพวกนี้ด่ายังไงมันก็ไม่โกรธสมมติถ้าไปชอบสมมุติไนดะ้อย่างเอาประมาแบบชาวโลกเลยก็คือพวกราฆะจริตนะไปชอบอีกฝ่ายหนึ่งถูกเขาด่ามาขนาดไหนก็ทนได้อันนี้คือพวกเนี่ยหนักในกามใช่ไหมพวกในพวกหนักในโทสะนะแค่เขาทำหน้าไม่ไม่ใครว่าทำหน้าบึ้งสายให้หน่อยเนี่ยพอแล้วบอกพอเลยอันนะั้ตอนแรกก็ น, นึกชอบก่อนนะน ะ, สะแสดงสีหน้ากิริยาท่าทางไม่เหมาะสมหน่อยเดียวเนี่ยเลิกเลย น, นะบอกไม่เอาแล้วแต่พวกกา ม, มาสานะ้นจะรอมจะยอมจะทนทุกอย่างอยู่ได้หมดอะ่ะในพวกเรียกว่าพวกกา ม, มากา ม, มาราคานุใสเนี่ยมันหนักขนาดนั้นอะ่ะคือพวกอนุใสก็แล้วก็พวกจริตพวกจริตจริยาเนี่ยนะว่ามากไปด้วยทุกทางกายเนี่ยแบบไหนทางวาจาเนี่ยแบบไหนความคิดเข้าเป็นยังไงเนี่ยจริตทุกอย่างพวกรู้หมดแล้วก็รู้อธิมุดด้วยนะความน้อมใจของเขาเนี่ยน้อมใจไปทางไหนมาก ของเวณัยสัตว์ทุกชนิดบุคคลที่พระองค์เอามาตรวจนะโดยอาสยะอนุใสเจริยาอธิมุตเนี่ยจะเอาเฉพาะเวณัยสัตว์นะมาตรวจพวกไม่ใช่เวณัยสัตว์นะไม่เอามาตรวจถามว่าหมอเนี่ยไปเที่ยวตรวจคนไข้ทุกคนที่มีอยู่เนี่ยไม่ใช่จะตรวจเฉพาะคนไข้ที่จะรักษาโรคให้นะพระองค์ก็จะตรวจดูเจริญอธิมุตเป็นต้นของเวณัยสัตว์เนี่ยนะในชั้นแรกก่อนก็เอเรียกว่า สัพพัญยุตยานเนี่ยนะหรือพุทธจักสูตรเนี่ยแผ่ออกไปก่อนมีใครเข้ามาขายพยานบ้างไหมมีใครมาปรากฏในขายพยานบ้างไหมสมมติว่าอ้าวค น, คนเนี่ยปรากฏขึ้นมาในขายพยานเหมือนอะไรเหมือนอย่างว่าคนที่ยืนอยู่บนยอดเขาเนี่ยเห็นเห็นกระท่อมหลังไหนจุดไฟไว้นะก็เห็นกระท่อมหลังนั้นอันนี้ม า, มาเป็นรายคนนะ่ะคนที่เหลือเนี่ยไม่มนานสิการมนานสิการเฉพาะคน น, นั้นนหละหรือกลุ่มนั้นอะประมณนสิการต่อไปว่า เอ๊พวกกลุ่มเหล่านั้นมีอาศัยยะยังไงะนะเพราะพวกนี้หรือคนพวกนี้จะได้ถึงระดับไหนจะได้บรรลุมรรคผลไหมถ้าบรรลุมรรคผลเนี่ยพื้นฐานจริงๆเขาเป็นคนแบบไหนเขามีจริตยังไงมีนิสัยแบบไหนไปยังไงมายังไรอดีตชาติเข้าไปยังไงอนาคตต่อไปเข้าไปยังไงเขามักทํากรรมประเภทไหนะนะเขามีศรัทธาในเรื่องอะไรเนี่ยเป็นต้นเนี่ยเขาตรวจสอบวินิจฉัยไข้ ค, ควรทั้งหมดเลยนะแล้วพระองค์ก็ ไปให้เขารู้อ่ะไปแสดงธรรมที่จะให้เขารู้โดยประการต่างๆเนี่ยนะก็ไปแสดงให้เขารู้ว่านี้กุศลนี้อกุศลนี้อัพยากตะใช่ไหมกุศลเป็นสัจจะอะไรเน้นมากก็คือมัคคสัจใช่ไหมอกุศลสมุทัยสัตจเนี่ยนะอภยกตะก็คือนิโรสัจนี่นะแบบสูงสุดนะนะเอาแบบสูงสุดมาตั้งอ่ะกุศลคือมัคคสั์ อกุศลคือสมุทัยสัตว์อภยากตะก็คือนิโรสัจจะเนี่ยพระองค์ก็ไปให้รู้อันนี้กุศลกุศลให้ผลเป็นอย่างไรนี้เป็นอากุศลอกุศลให้ผลเป็นอย่างไรเช่นบอกว่าถ้าเธอเจริญตามมักษัตริย์ปฏิบัติตามไตรศิกขาดจะมีผลยังไงต่อไปถ้าปฏิบัติตามสมุทยัยเอาตันหานําหน้านะทุศีลทุลวงศีลเป็นต้นอ่ะผลจะเป็นยังไงต่อไปถ้าแทงตลอดนิโรศสัตว์เนี่ยนะถ้าดับ ทั้งกุศลอ ก, กุศลน่าจะมีผลต่อไปยังไงเนี่ยพระองค์ก็จะเอามาแสดงมาแต่งตั้งเปิดเผยทําให้เข้าใจง่ายหมดเลยเนหะ็นไหเข้าใจง่ายเขาสำหรับผู้ฟังสมัยนั้นนะผู้ฟังสมัยนี้เนี่ยโอ้พระไตรปิฎกอ่านยากบ้างอาหาเรื่องจนไม่อ่านอนะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะปัญญาตรวจ ด, ดูไม่ใช่เาาออถ้าเข้ามาอยู่แล้วเนี่ยก็ก็แสดงทําไปอะไรไป ไม่รับรู้ก็จะทําอะไรเขาถ้าเ้านั่งหลับพระองค์ก็ไม่ได้ไปปลุกให้เขาตื่นอะไรแล้วใช่ไหมครบคือก็เพราะเขามีพอมีศรัทธาไหมอะไรไหมพระองค์มนัติการคนที่พอได้นะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยพุทธานุภาพเป็นอาชินตายอยู่แล้วพระองค์ก็ช่วยให้เข้าได้ตามที่เขาพอได้นะเหมือนอะไรเหมือนฝนตกนะบางคนก็รองน้ําฝนได้ไม่รู้กี่ถัตงตอกี่ถังเงี้ยบางคนก็ได้พอแ ต, แต่เปียกผมหน่อยๆแค่นั้นเองนะ ก็พระองค์ก็แสดงธรรมเหมือนอย่างฝนอมตะให้ตกลงไปเท่านั้นเองอนะก็ก็ได้ตามสมควรยังไม่ได้เป็นพุทธไม่ได้เป็นพุทธเวไนนะตอนนี้จะได้ก็คือธรรมเวไนแต่ก็ดีแล้วก็ดีกว่าธาตเวไนอนะไหว้พระธาต์อย่างเดียวอะแต่ก็ได้เป็นเป็นธาตเวไนก็ยังดีกว่าโหที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะที่แม้กระทั่งไม่รู้จักใครที่ควรไหว้ควรกราบอะไรสักอย่างนะก็ดีแล้วไหว้พระธาต์ก็ยังดีมางนกัน คือพระสงฆ์เนี่ยคำว่าสงฆ์ก็คือหนึ่งนะสมัยทุกวันเนี่ยคนไม่รู้จักคุณของพระสงฆ์สักเท่าไหร่ น, นะก็เห็นแต่คนไม่ดีที่มาในานามของพระสงฆ์